ชีวิตของพวกเรามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจร่างกายและจิตใจจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อน ก็จำเป็นจะต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งจิตใจก็ต้องมีที่พึ่งถึงจะมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยนี่คือที่พึ่งของร่างกายถ้าร่างกายปราศจากปัจจัยสี่ก็จะอยู่ไม่ได้ขาดอาหารก็ตายอดตายขาดยารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายได้ ร่างกายจึงต้องมีปัจจัยสี่ถึงจะอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขไม่ทุกข์ไม่ยากเดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่ทางร่างกายของพวกเรานี้ก็มีพอสมควรกันทุกคนพวกเราทุกคนไม่ขาดปัจจัยสี่เรามีอาหารรับประทานกันทุกวัน มีเครื่องนุ่งห่มไว้สวมใส่มีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยธรรมชาติหลบภัยจากมิจฉาชีพหลบภัยจากสัตว์ร้ายอันตรายต่างๆแล้วเราก็มียารักษาโรคไว้รักษาร่างกายในายามเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นปัจจัยสี่ทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราร่างกายของพวกเราอยู่อย่างเป็นปกติสุขส่วนปัจจัยสี่ของใจที่พึ่งของใจอันนี้ก็ไม่แน่นอนบางท่านอาจจะมีบางท่านอาจจะไม่มีถ้ามีจิตใ จ, จก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจถ้าขาดปัดจจัยสี่ทางใจใจก็จะวุ่นวายเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆหรืออยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาเสริมสร้างกันให้มากขึ้นก็คือปัจจัยสี่ของใจ ที่พึ่งของใจเพราะที่พึ่งของใจนี้จะช่วยทำให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้าใจเรายังวุ่นวายอยู่ยังไม่สุขยังไม่อิ่มยังไม่พอแสดงว่าใจเรายัง ขาดที่พึ่งทางใจอยู่ดังนั้นเราควรที่จะทุ่มเทเวลาชีวิต จ, จิตใจให้มาสร้างที่พึ่งทางใจกันจะดีกว่าไปทำอะไรอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจนอกจากไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจแล้วยังเป็นโทษกับจิตใจได้ อีกด้วยเช่นการไปหาความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่ได้ทำให้ใจมีความอิ่มแต่กลับทำให้ใจมีความหิวมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่อิ่มไม่พอ มีแต่อยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆใจจึงไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มความพอจากการไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกขีนรสต่างๆและไม่สามารถมากาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ เพราะลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของใจไม่ได้ทำให้จิตใจสงบล่มเย็นมีความสุขมีความอิ่มมีความพอและดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้สิ่งที่จะทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความพอ ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้นั้นต้องเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็เหมือนกับที่พึ่งทางร่างกายก็คือปัจจัยสี่ก็เป็นปัจจัยสี่เหมือนกันเพียงแต่ปัจจัยสี่ของใจนี้ไม่เหมือนของร่างกายเช่นอาหารของใจนี้คือการทำบุญทำทาน ถ้าเรามีความหิวมีความอยากได้ใจไม่สงบใจไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแทนที่เราจะไปทำตามความอยากต่างๆอยากเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากดื่มก็ไปดื่มอยากทำอะไรก็ทำอยากดูอยากฟังทำไปแล้วมันไม่ได้ทำให้ใจอิ่มใจพอ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาหารของใจนั่นเองถ้าอยากจะทำให้ใจอิ่มใจพอเวลาอยากไปเที่ยวก็เอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญแทนการทำบุญการให้ทานการแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ตามความอยากต่างๆนั้นให้เอาไปทาบุญ ให้เอาไปแบ่งปันเอาไปให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะทำแล้วจะทำให้ใจเราอิ่มจทาให้ใจมีความสุขเวลาเราทำบุญกันเราจะรู้สึกว่าเรามีความอิ่มหนาสำราญใจมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจเพราะเราให้อาหารแก่ใจนั่นเอง แต่ถ้าเรามีความอยากมีความหิวแล้วเราไปทำตามความอยากแทนที่เราจะได้ความอิ่มความย่ความพอใจเรากลับจะได้ความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นเราอยากได้อะไรพอเราได้มาแล้วความอยากจะได้อีกก็จะโผล่ขึ้นมาแทนที่จะเกิดความอิ่มไม่อยากได้อะไรแล้ว กลับทำให้อยากได้เพิ่มขึ้นอีกไปเที่ยวแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอีกไปซื้อของมาแล้วก็อยากจะไปซื้อของอีกอย่างนั้นการที่เราเอาเงินไปใช้ตามความอยากต่างๆหมายถึงความอยากในสิ่งที่ไม่จาเป็นไม่ใช่ความอยากในปัจจัยสี่ที่จำเป็นอันนี้ไม่เรียกว่าความอยาก ถ้าเราใช้เงินทองเพื่อซื้อปัจจัยสี่ของร่างกายอันนี้เรียกว่าเป็นการหาที่พึ่งมาให้กับใจหาที่พึ่งมาให้กับร่างกายหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นความอยากความอยากก็คืออยากจะได้สิ่งนอกเหนือจากปัจจัยสี่เช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆ ของหรูหราต่างๆของที่ไม่จาเป็นที่จะต้องมีหรือไปกระทาสิ่งต่างๆที่ไม่จาเป็นจะต้องกระทำเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายการกระทำเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ความอยากความหิวหมดไปลกลับทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราเอาเงินทองที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากต่างๆนี้มาทำบุญทำทานความอยากต่างๆนั้นจะลดน้อยถอยลงไปแล้วความอิ่มใจความสุขใจจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นนักทำบุญแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเรื่องของความอยากไปเที่ยว ความอยากไปหาความสุขทางตาหูจมกลิ่งกายนี้มันจะลดน้อยถอยลงไปและหมดไปได้แล้วเราจะมีความสุขมีความอิ่มความพอโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออะไรไปทำอะไรตามความอยากต่างๆนี่คืออาหารของใจปัจจัย ของใจข้อที่หนึ่งอาหารก็คือการทําบุญทําทานดังนั้นขอให้เราทําบุญทําทานเหมือนกับการรับประทานให้ให้เป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารวันหนึ่งเรารับประทานอาหารสามครั้งให้แก่ร่างกายเพื่อร่างกายจะได้อิ่มน้ำสําราญใจ ใจของเราเราก็ควรที่จะทําบุญเป็นประจําำอย่างน้อยวันหนึ่งก็ควรจะได้ทําบุญทําทานสักครั้งหนึ่งเช่นในสมัยก่อนชาวบ้านนี้จะมีวัดอยู่ใกล้บ้านแล้วจะมีพระมาบิณฑบาต ท, ทุกวันชาวบ้านก็จะได้ใส่บาตรกันทุกวันได้ทําบุญทําทานกันทุกวัน อันนี้ก็จะทำให้มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขมีความอยากความหิวน้อยลงไปชาวบ้านนี้เขาบางทีก็อยู่กันแบบสมัฒกันไม่ต้องมีอะไรมากเพราะเขาไม่มีความหิวความอยากมากเพราะเขาได้ทำบุญได้รับอาหาร ทางใจกันอยู่เป็นประจำจึงทำให้เขาไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องไปทำอะไรมากไม่ต้องไปเที่ยวไปไหนกันมากอยู่กันอย่างเป็นสุขเพราะได้ทำบุญกันทุกวันได้ให้อาหารใจระ ง, งับความอยากต่างๆความอยากที่จะ เอาเงินไปซื้อข้าวของต่างๆเอาเงินไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี่คือการทำบุญทำทานถ้าเราไม่สามารถใส่บาตรได้ทุกวันเราก็สามารถเอาเงินที่เราจะซื้อของใส่บาตรนี่ใส่ไปในกระปุกกระป๋องก่อนก็ได้ใส่มันทุกวันเพราะเท่ากับเราได้ทำบุญ เราได้แบ่งปันเงินส่วนหนึ่งมาให้กับการทำบุญแล้วเวลาที่เราไปวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่ในกระปุกนี้ไปถวายวัดให้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ทางวัดมีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายก็เท่ากับการได้ใส่บาตรได้ทำบุญทำทาน แล้วการทำทุกวันนี้มันจะทำให้ติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำให้เราได้ได้ทำบุญมากเพราะเราทำทุกวันเดือนหนึ่งนี้เราเอาเงินที่เราใส่บาทมารวบรวมนี้จะได้เป็นจำนวนมากถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราทำบุญตามอัธยาศัยหรือตาม การตามเวลาเราอาจจะไม่ได้ทำมากเท่าที่ควรเราเช่นเราทำในวันสำคัญสำคัญต่างๆวันสำคัญทางศาสนาเช่นวันมาฆะวันวิสาขะวันเข้าพรรษาวันอาสาะห์ปีหนึ่งก็มีแค่ไม่กี่วัน หรือทำวันสำคัญของเราเช่นวันเกิดวันครบรอบอะไรต่างๆวันขึ้นปีใหม่ปีหนึ่งก็จะได้ทำไม่กี่วันเราก็จะได้ทำบุญ น, น้อยอาหารที่เราให้กับใจก็จะน้อยความอิ่มความพอใจก็จะมีน้อยความหิวความอยากก็จะมีมากแต่ถ้าเราทำบุญทุกวัน เราก็จะได้ให้อาหารกับใจได้มากเราทำบุญสามร้อยหกสิบห้าวันทําทุกวันด้วยวิธีเอาเงินที่เราจะทำบุญนี้ใส่ไว้ในกระปุกกระป๋องไว้แยกไว้แล้วเวลาที่เราว่างเราสามารถไปทำบุญได้ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอะไรต่างๆเราก็เอาเงินนี้ไปทำบุญทำทานได้ เป็นวันเกิดของเราวันขึ้นปีใหม่วันอะไรก็ตามเราจะได้ทํามากกว่าถ้าเราทําแบบที่เราไม่ได้เอาเงินแยกเอาไว้เพราะเราก็จะไม่มีเงินนั่นเองเพราะเราจะเอาเงินไปใช้ทางอื่นเสียหมดเงินที่จะมาทําบุญมาเป็นอาหารให้กับใจก็เลยจะได้น้อย ใจเราจึงไม่ค่อยมีความอิ่มมีความพอกันเท่าไหร่มีแต่ความอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้อยากจะไปดูไปฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะไปดื่มลิ่มรสอะไรต่างๆรับประทานอะไรต่างๆนี่เป็นเพราะว่าเราเอาเงินไปใช้ผิดทางแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารมาให้กับใจเราเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาให้กับใจ สิ่งที่เราชอบเราอยากได้เนี่ยเป็นเหมือนยาเสพติดนะเช่นความสุขทางตาหูจมกูกมือกายออยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากจะได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จําเป็นต่างๆมาให้ความสุขกับเรามันเป็นเหมือนยาเสพติดเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว แล้วก็ทำให้เราติดทำให้เราต้องซื้ออยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้ซื้อก็จะมีความทุกข์มีความไม่สบายใจมีความหิวมีความอยากมีความไม่อิ่มไม่พอเพราะเป็นเหมือนกับเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาให้ร่างกายเอาเงินที่จะไปซื้ออาหารมาให้ร่างกายมาซื้อยาเสพติด ดูคนที่เสพยาเสพติดส่วนใหญ่จะ้อมกล่องพอแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารเอาเงินไปซื้อยาเสพติดกันพอเวลาเกิดความอยากยาเสพยาแล้วถ้าไม่ได้เสพมันทรมานมากเลยยอมอดอยากทางร่างกายเพื่อที่จะได้ซื้อยาเสพติดมาเสพเพื่อดับความทุกข์ความทรมานใจที่เกิดจากการติดยาเสพติดนี้ พวกเราก็เหมือนกันทางด้านจิตใจแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้อยาซื้ออาหารมาให้ร่างกายเรากลับเอาเงินทองไปซื้อยาเสพติดมาให้จิตใจเมื่อกี้แทนแทนที่จะเอาเงินทองไปซื้ออาหารมาให้กับจิตใจคือเอาไปทำบุญทำทานเรากลับเอาเงินทองไปซื้อยาเสพติด ซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไปเที่ยวไปดูภาพยนตร์ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆอันนี้เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดมาเสพใจจึงหิวจึงอ ย, อยากอยู่เรื่อยๆอยากซือ้อยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากอะไรอยู่เรื่อยๆเพราะขาดอาหารเราไม่ได้ให้อาหารใจเราให้ยาเสพติดกับใจ ใจก็เลยติดอยากจะเสพแต่ยาเสพติดอยากจะเสพแต่รูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ถ้าเราไม่ได้มาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับใจหรือกำลังทำโทษให้กับใจแต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจะรู้ว่าประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับใจนั่นอยู่ที่การทําบุญทําทานไม่ใช่อยู่ที่การเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนี่คือเรื่องของปัจจัยข้อแรกคืออาหารของใจคือการทําบุญแบ่งปันเสีสละเงินทองข้าวของที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ เอามาซื้ออาหารให้กับใจใจจะได้ไม่หิวไม่โหยไม่อยากใจจะได้มีความอิ่มมีความพอจะอยู่อย่างส ม, มถะมากน้อยอยู่อย่างมากน้อยสันโดษได้ไม่ต้องวุ่นวายกับการไปหาสิ่งต่างๆมาเสพกันอ น, นี่คือปัจจัยข้อที่หนึ่งของใจ คืออาหารได้แก่การทำบุญทำทานข้อที่สองคือเครื่องนุ่งห่มของใจเครื่องนุ่งห่มของใจคืออะไร <Yeah. S 1> ก็คือศีลการไม่ทำบาปห้าข้อด้วยกันการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมา เพราะการไม่กระทำบาปทั้งห้าประการนี้จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่านับถือน่าคบค้าสมาคมไม่มีใครอยากจะคบคนที่ไม่มีศีลไม่อยากจะคบกับคนที่ทำบาปเพราะคนทำบาปนั้นจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองจะสร้างความเสียหาย ให้แก่ผู้อื่นเช่นการฆ่าผู้การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยหรือการลักทรัพย์ของผู้อื่นการประพฤติผิดประเวณีเช่นไปแย่งสามีแย่งสะพรรยาของผู้อื่นาการโกหกหลอกลวงหรือการดื่มชสืาา่อยาเมาพฤติกรรมเหล่านี้มันมีแต่ สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นคนที่ทำบาปนี้จึงเป็นที่หน้ารังเกียรเป็นบุคคลที่น่าเกลียดน่ากลัวกันเขาจึงต้องแยกคนเหล่านี้ไว้ในกรงเคือใครทำบาปทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับไปขังคุกขังตารางกันไม่ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านให้มาคุกคีกับคนที่ ไม่ได้ทำบาปนี่คือความสวยงามทางใจสวยด้วยศีลร่างกายไม่สวยไม่เป็นไรขอความสวยทางใจนี้มีอนุภาพมีน้ำหนักมากกว่าความสวยงามทางใจทางร่างกายถ้ามีความสวยงามทางร่างกายแต่ถ้าไม่สวยงามทางใจนี้ ก็จะไม่มีใครอยากจะอยู่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยตอนตอน้นถ้าเขาไม่รู้ว่าเราไม่สวยงามทางจิตใจเขาอาจจะอยากจะมารู้จักมักคุณคบค้ากับเราเพราะเห็นเรามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแต่พอได้คบกับเราแล้วพอได้เห็นธาตุแท้ของเรา เห็นความไม่สวยงามของใจเราเยเขาก็จะต้องถอยออกไปเขาจะไม่ทนอยู่กับเราได้ถ้าเราเป็นคนที่ชอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดโปรนีพูดปดเดิมสุรายาเมาเพราะเราสวยเพียงทางร่างกายแต่ทางใจนี่ไม่สวยงามเลยน่าเกลียดน่ากลัวอ่านี่คือ เรื่องของเสื้อผ้าอภรรของของใจก็คือสีทางร่างกายถ้าเรามีเสื้อผ้าอภรรสวยงามสไว้สวมใสถ้าคนไม่รู้จักใจเราเขาก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราเห็นเราแต่งตัวสวยน่ารักก็มีคนชื่นชอบยินดี แต่ถ้าใจเราไม่สวยไปกับร่างกายไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะรู้ว่าใจเราเป็นอย่างไรพอเขารู้ว่าใจเราไม่สวยต่อให้เรามีเสื้อผ้าผ่พรสวยๆงามๆไม่สวยใส่ก็ไม่สามารถดึงดูดจิตใจให้เขามารักมาชอบเราได้แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราไม่มีเสื้อผ้าอภร์สวยงามๆไว้สวมใส่แต่เรามีเสื้อผ้าอภร์สวยงามของใจไว้สวมใส่คือเรามีศีลห้าเนีเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงสุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาาเราจะเป็นที่หน้า รักน่าชอบของผู้อื่น <bara> ถึงแม้ว่าทางร่างกายเราจะไม่สวยงามดังนั้นขอให้เรารู้ไว้ว่าความสวยงามทางร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นความสวยงามที่แท้จริงหรือความน่าเกลียดทางร่างกายก็ไม่ใช่เป็นความน่าเกลียดที่แท้จริงความสวยงามหรือความน่าเกลียดที่แท้จริงนั้น อยู่ที่เสื้อผ้าอภรรของใจว่ามีเสื้อผ้าอภรรไม่สวมใส่หรือเปล่าถ้าใจมีเสื้อผ้าอภรรคือมีศีลห้าใจจะเป็นผู้ที่น่ารักน่าคบค้าสมาคมน่าศรัทธาน่านับถือยกตัวอย่างดูพระภิกษุสงฆ์ที่มาบวชหรือแม่ชีทางร่างกายก็ไม่ได้สวยงามอะไร ใส่เสื้อผ้าก็เรียบง่ายแม่ชีก็นุ่งขาวห่มขาวพระสงฆ์องค์เจ้าก็นุ่งหม่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองศีรษะก็โกนดูก็ไม่ดูดูก็ไม่เห็นมีความสวยงามทางร่างกายแต่มีความสวยงามทางใจกันเพราะมีศีลกันหลายข้อมีมากกว่าห้าข้อนะแม่ชีก็มีศีลแปด พระสงฆ์องค์เจ้าก็มีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อมีความสวยงามทางจิตใจจึงทําให้ชนะความสวยงามทางร่างกายผู้ที่รู้จักพระสงฆ์องค์เจ้ารู้จักแม่ชีจึงมีแต่คนเคารพนับถือมี ค, ความมีความรักมีความชื่นชมยินดีก็เพราะรู้ว่า เป็นคนสวยงามทางจิตใจนั่นเองอยู่ใกล้คนมีศินแล้วมันมีความสุขอยู่ใกล้กับคนไม่มีศินแล้วนี่มันมีความทุกข์เพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายเราได้เมื่อไหร่ต้องมีความหวาดระแวงมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาเขาจะมารักทรัพย์ของเราไปเมื่อไหร่เขาจะมาประพฤติผิดประเวณีกับสามีภรรยา กับบุตริดาของเราเมื่อไหร่เขาจะมาโกหกหลอกลวงเราเมื่อไหร่เขาจะมาฆ่าเราเมื่อไหร่อันนี้เราจะไม่อยากจะอยู่ใกล้กับคนที่ไม่สวยงามทางจิตใจคนที่ไม่มีเสื้อผ้าอภรรของจิตใจก็คือไม่มีศีลธรรมนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีที่พึ่ง มีเสื้อผ้าผ่อนไม่สวมใส่เราก็ต้องมีศีลกันถ้าเรามีศีลแล้วใจเราจะสงบใจเราจะสบายจะไม่วุ่นวายเหมือนกับคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลนี่เหมือนคนที่ไม่มีเสื้อผ้าไว้ไม่มีเหมือนกับคนที่ร่างกายที่ไม่มีเสื้อผ้าไว้สวมใส่จะไม่กล้าออกไปไหนร่างกายร่อนจอนแล้วก็ จะลำบากเพราะว่าไม่มีอะไรหุ้มห่อร่างกายทำให้ร่างกายนี้อาจจะถูกบมาลางสว์กัดต่อยได้หรืออาจจะถูกอากาศที่หนาวเย็นทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่ถ้ามีเสื้อผ้ า, อาปอนมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ก็จะปกป้องรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ ใจก็ฉันเดียวฉันนั้นฉันฉันใดใจก็ฉันนั้นใจก็ต้องมีเสื้อผ้ามีศีลใจจึงจะสุขใจจะสบายเพราะมีศีลคุ้มครองไม่ทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนเวลาเราทำบาปแล้วใจเราสบายไหมเวลาเราไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปดื่มสุรายาเมา ใจเราจะไม่สบายแล้วเราไปทำมันทำไมเมื่อมันทำให้เราไม่สบายก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้เราคิดว่าทำแล้วจะทำให้เราสบายอยากได้อะไรพอไปขโมยของเข้ามาแล้วก็ดีใจแต่ดีใจเดียวเยวแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเกิดมาจากการที่เราไปขโมยของเข้ามา กลัวจะถูกจับไปลงโทษต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนอยู่แบบหวาดระแวงหวาดกลัวอันนี้เขามองไม่เห็นกันสำหรับผู้ที่ทำบาปเขามองเห็นแต่ความสุขที่เขาได้จากการทำบาปเวลาอยากได้อะไรพอไปขโมยมาก็ดีใจกันมีความสุขกันแต่มีความสุขเดียวเดียว เดี๋ยวก็ต้องมีความหวาดวิตกกังวลกลัวจะถูกจับไปลงโทษต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนซ่อนเวลาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเราใจก็หวบลงไปถึงพื้นแล้วคิดว่าเขาจะมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตลาดว่าเราเป็นเหมือนวัวสันหลังหวะมีแผลพออะไรไปสะกิดแผลหน่อยก็ปวดขึ้นมา เจ็บขึ้นมาทันทีพอเห็นเจ้าหนะ้าที่ตำรวจในี้ใจก็หวาดก็ทุกขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของการมีปัจจัยสี่ที่จะทําให้ใจของเรามีความลมเย็นเป็นสุขในข้อที่สองคือการมีเสื้อผ้าอาภรณ์ไว้ปกป้องคุ้มครองจิตใจรักษาจิตใจให้สวยงามด้วยการมีศีล ศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยยิบเจ็ดนะยิ่งมีมากยิ่งสวยงามมากนะนี่คือเรื่องของเครื่องนุ่งห่มของใจที่เป็นที่พึ่งของใจที่เราอยากจะให้ใจของเรามีความล่มเย็นเป็นสุดเราต้องมีข้อที่หนึ่งคือเราต้องมีการทำบุญทำทานเพื่อจะทำให้ใจเราอิ่มใจเราสุข ข้อที่สองทำให้ใจเราเย็นสบายคือการรักษาศีลไม่หวาดกลัวไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กังวลส่วนข้อที่สามปัจจัยข้อที่สามของใจคือที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของร่างกายก็คือบ้านเรือนที่เราไปซื้อกันไปเช่ากันอยู่ที่หลบแดดหลบฝน หลบภัยทางธรรมชาติหลบภัยจากมิจฉาชีพและสัตว์ร้ายต่างๆใจของเราก็ต้องมีที่พึ่งเพื่อปกป้องความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่จะเข้ามาเหยียบย่ําทําลายจิตใจของเราคือ<ๆ>พวกเราทุกวันนี้วุ่นวายใจกันทุ ก, กันก็เพราะว่าเราไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยของใจ ไม่มีไปที่ไม่มีที่ไปหลบทุกทางใจกันบ้านของใจคืออะไรก็คือสมาธิหรือความสงบนที่เราจะต้องสร้างกันขึ้นมาเองบ้านนี้ไปเช่าไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไม่มีขายไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีสมาธิจัดสรรพอมีเงินก็ไปซื้อเหมือนเราไปซื้อบ้านจัดสรร บ้านของใจนี้ไม่มีขายต้องสร้างกันขึ้นมาเองวิธีสร้างบ้านก็คือต้องใช้สติต้องมีสติถ้ามีสติก็จะสามารถสร้างบ้านของใจขึ้นมาได้ทำให้ใจสงบทำให้ใจนิ่งทำให้ใจสบายไม่ว่าจะมีความทุกข์มากน้อยเพียงไรพอใจหลบเข้าไปอยู่ในบ้านนี้แล้ว ความทุกข์ต่างๆนี้เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ถึงเหมือนกับบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศอยู่นอกบ้านอากาศจะร้อนมากน้อยเพียงไรก็ตามพอเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศความร้อนก็ไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้ในบ้านก็จะมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายแต่บ้านทางร่างกายนี้เราสามารถซื้อกันได้ เครื่องปรับอากาศทางร่างกายนี้เราซื้อมาติดได้แต่เครื่องปรับอากาศทางใจบ้านทางใจนี้เราซื้อไม่ได้เราต้องสร้างหรือถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อด้วยสติสตินี้เป็นเหมือนเงินที่เราจะเอาไปซื้อบ้านทางใจไปสร้างบ้านทางใจไปสร้างที่พึ่งที่หลบภัยทางใจถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งหลบความทุกข์ต่างๆ เราต้องหมั่นเจริญสติหาสติเหมือนกับหาเงินหาทองถ้าเรามีเงินมีทองเราก็สามารถไปซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยได้อันใดถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถไปซื้อที่อยู่อาศัยของใจได้ดังนั้นเราต้องมาพยายามสร้างสติกันหาสติกันเหมือนกับหาเงินหาทองสตินี่เป็นเหมือนเงินทองของใจ ที่จะไปซื้อบ้านซื้อที่หลบทุกต์ต่างๆลบหลบภัยหลบความทุกต่างๆให้ใจอยู่อย่างปราศ จ, จากความทุกความวุ่นวายใจนะเพราะว่าการทำบุญทาทานกับการรักษาศีลนี้ก็ป้องกันความทุกได้บางส่วนแต่มีความทุกบางส่วนที่การทำบุญทาทานการรักษาศีลไม่สามารถที่จะกาจัดได้ จะเป็นความทุกที่เกิดจากความอยากอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้นี่ทําบุ ญ, บญทําทานมันก็ดับความทุกข์นี้ไม่ได้รักษาศีลมันก็ดับความทุกข์นี้ไม่ได้มันอยู่เหนือความสามารถของการทําทานของการรักษาศีลแต่มันไม่อยู่เหนือความสามารถของสมาธิถ้าเราหยุดทําใจให้สงบได้ ความอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะหยุดไปพอความอยากหยุดไปความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากก็จะหายไปใจก็จะมีที่หลบภยัยหลบความทุกข์ได้ถ้ามีสติถ้ามีสติหยุดความคิดหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบใจก็จะเป็นสมาธิใจก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุข นี่คือวิธีสร้างที่พึ่งทางใจที่หลบทุกข์ต่างๆของใจต้องสร้างด้วยสติดังนั้นเราควรที่จะมาหาสติกันเหมือนกับเราไปหาเงินหาทองเราสามารถหาสติกับหาเงินหาทองควบคู่กันไปได้หาเงินทองให้กับร่างกายและหาสติมาให้กับใจ เช่นเวลาเราตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะต้องเรากำลังจะไปทำอะไรก็ให้อยู่กับพุโทโธไปและอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เช่นเรากำลังล้างหน้าแปรงฟัน เราก็อยู่กับการลั่งหน้าแปรงควันถ้าใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธดึงกลับมาพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่กำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกำลังเดินทางไปทำงานกำลังไปหาเงินหาทองก็ให้มีสติอยู่กับการกระทาของเรา อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เราก็จะทำให้ใจนิ่งอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวให้ไหลไปกับเหตุการณ์หายไหลไปกับการกระทาต่างๆแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาแล้วก็เดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องต่างๆแล้วใจจะเข้าสู่ความสงบพอใจสงบแล้วเรื่องวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดเพราะเรื่องวุ่นวายใจก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนี้เองจากความคิดปรุงแต่งแล้วก็เกิดแล้วทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็ร้อนใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที พอใช้สติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่กับเรื่องเดียวได้อยู่กับพุโทโธได้อยู่กับลมหายใจได้ใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดนี่คือเรียกว่าที่อยู่อาศัยของใจที่หลบทุกข์ต่างๆ ดุล บ, ลบความทุกข์ใจต่างๆได้แต่ก็เป็นการหลบชั่วคราวความทุกข์ใจนี้มันไม่ตายมันไม่หมดไปจากการที่เราไปหลบอยู่ในสมาธิเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องออกจากสมาธิมาพอเราออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจที่เคยมีอยู่มันก็จะกลับมาได้ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ใจกัน ดังนั้นนอกจากที่เราจะมีบ้านไว้หลับดบทุกแล้วเรายังต้องมียาไว้มารักษาโาครคภัยไข้เจ็บของใจที่เป็นปัจจัยที่สี่ปัจจัยที่สี่คือยารักษาโรคใจโรคใจก็คือความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เราใช้สมาธิเป็นที่หลบแต่เราไม่สามารถทำลายมันได้กําจัดมันได้เราต้องใช้ยาถึงยา ก, กาจัด โลกความวุ่นวายโลกของความทุกข์ใจถ้าเรามียาของใจแล้วยาของใจนี้จะสามารถกาจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้หมดโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปดลบในสมาธิถ้ามียาเรากินยาเลยเพอเกิดความทุกข์ใจก็กินยาเหมือนเวลาเราร่างกายไม่สบาย พอร่างกายเป็นอะไรเราก็กินยาเลยพอกินยาไปเดี๋ยวเดียวโรคนั้นก็หายไปใจก็เหมือนกันเมตาใจทุกข์กับเรื่องอะไรเรากินยาเข้าไปเลยกินยาของใจแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปทันทียาของใจนี้เราเรียกว่าธรรมโอสษฐ์ธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเอที่สอนให้เรารู้ว่า ความทุกข์ใจของเรานั mama, light, ้นเกิดจากความอยากของพวกเราเองถ้าเราไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากนี่คือยาธรรมโอสถถ้าเรารู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากเราก็หยุดความอยากนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาได้นี่เรียกว่ายารักษาโรคใจคือปัญญาปัญญาคือรู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปบางเวลาเราก็ควบคุมได้บังคับได้บางเวลาเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ ถ้าเมื่อถึงเวลาที่ควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องปล่อยอย่าไปควบคุมบังคับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยเรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆหรือร่างกายของเราเนี่ยบางเวลาเราก็ควบคุมได้ควบคุมไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้ควบคุมไม่ให้มันตายได้บางเวลาเราก็ควบคุมไม่ได้ เวลาที่เราควบคุมไม่ได้เราจะทุกข์ทรมานมากเพราะเราอยากจะให้อยากจะควบคุมมันให้ได้อยากจะให้มันหายอยากจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันไม่ตายเนี่ยแต่ทำไม่ได้มันจะเจ็บมันจะตายเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าเรากำลังมาถึงขีดที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้แล้วเราต้องปล่อย เราต้องยอมรับความจริงเราต้องหยุดความอยากที่จะไปควบคุมมันถ้าเราหยุดความอยากที่จะไปควบคุมมันได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายหรือความเป็นไปของใครก็ตามเราต้องรู้ว่ามีขีดที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปรักษาไปทําอะไรตามที่เราต้องการได้ เมื่อถึงขีดนั้นเราต้องหยุดเราต้องปล่อยวางนี่คือปัญญาต้องรู้ว่าถึงเวลาที่เราต้องปล่อยวางเราต้องรู้จากวิธีปล่อยวางก็คือเข้าไปหลบในสมาธินั่นเองคือไม่ได้หลบเพียงแต่ทําใจให้นิ่งให้สงบเพื่อปล่อยวางปล่อยวางความอยาก ที่จะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอ ร, รู้ว่าเราไม่สามารถรักษาร่างกายได้รู้ว่าร่างกายต้องตายเราก็ปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราก็อยู่เฉยๆอยู่ในสมาธิก็ได้อยู่นอกสมาธิก็ได้แต่ให้อยู่เฉยๆอย่าไปมีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองถ้าปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้ เราก็จะไม่ทุกข์นี่คื อ, อยารักษาความทุกข์ทางใจโใครคภัยไข้เจ็บของใจก็คือความทุกข์ใจนี้เองและเชื้อโรคที่ทำให้ร่างจิตใจของเราเจ็บใข้ได้ป่วยกันก็คือความอยากนี้เองกิเลสตัณหานี้เองเป็นเชื้อโรคของใจความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่แหละ เป็นเชื้อโรคที่ทําให้ใจเราไม่สบายทําให้ใจเราทุกข์กันและยารักษาโรคของใจก็คือปัญญาต้องรู้ว่าอความอยากนี้ทําให้เราทุกข์ถ้าเราทุกข์เราต้องหยุดความอยากถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่มีความอยากให้สังเกตแค่นี้เวลาเราไม่สบายใจนี้ลองถามตัวเราเองว่าเราไม่สบายใจเพราะอะไร พออยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยากจะได้สิ่งนั้นพอไม่ได้ใจก็ทุกข์ถ้ารู้ว่าไม่ได้ก็หยุดอยากเสีเมื่อไม่ได้ไปอยากได้ทาไมถ้าไม่ได้ก็ไม่เอามันพอไม่เอามันมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้ายังอยากได้อยู่มันก็ยังจะทุกข์อยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ ข้อที่สี่ของใจคื อ, อยารักษาโรคนะคือปัญญาเราต้องรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งต่างๆ ต, ตามความอยากเราได้ตลอดไปเสมอไปมันจะมีเวลาที่การมีความอยากนี้จะทําให้เราต้องทุกข์กันเมื่อเราทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากกันให้ได้ทางที่ดีก็อย่าไปมีความอยากเลย ถึงแม้ว่าบางทีความอยากให้ความสุขความอยากนี้จะให้ความสุขกับเราเช่นอยากจะได้อะไรพอเราได้มาเราก็ดีใจมีความสุขกันแต่ไม่นานเดี๋ยวสิ่งที่เราได้มามันก็จะหายไปหมดไปแล้วมันก็จะทำให้เราทุกข์กันขึ้นมาเพราะเราก็ไม่อยากให้มันจากเราไปนั่นเองงนั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ที่จะให้ความสุขกับเรานี้ มันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยงแท้แน่นอน เ, ออเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้ออถึงเวลามันจะไปมันก็ไปถึงเวลามันจะให้ความทุกข์กับเรามันก็ให้ความทุกข์กับเราทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้อยากมีนันมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปให้เราอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าเพราะนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงใจที่ปราศจากความอยากนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนหาความสุขในใจนี่แหละที่เป็นความสุข ที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่ใจจะได้จากการไปมีสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องจากไปเวลาจากไปความสุขที่ได้มาก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์ความทรมานใจความเศร้าโศกเสียใจนี่คือ ปัญญายารักษาโรคใจถ้าเรามีปัญญาแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับอะไรใจเราจะมีความสุขไปตลอดใจเราไม่ต้องมาถูกความอยากหลอกให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆการที่เรายังต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เพราะว่าเรายัง ไม่รู้ว่าความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันพาให้เรามาทุกข์กันแต่พอเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้รู้ว่าเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายของเรานี้เกิดจากความอยากของเราเองความทุกข์ต่างๆก็เกิดจากความอยากของเราเองเราก็หยุดมันอย่าไปทําตามความอยากพอเราหยุดมันได้เราก็จะไม่ทุกข์ การที่เราจะหยุดมันได้เราต้องมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีที่เข้าไปพักใจก็คือสมาธิเวลาเกิดความอยากเราก็เข้าไปพักใจในสมาธิความอยากก็จะหยุดทํางานไปแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปอันนี้คือเรื่องของปัจจัยสี่ที่ พวกเรากำลังขาดกันก็คือปัจจัยสี่ทางใจปัจจัยสี่ทางร่างกายนี้เรามีเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้กินไปอีกสิบชาติก็อาจจะไม่หมดสําหรับคนบางคนมีเงินทองกองเท่าภูเขาต้องเอาเงินทองนี้มาสร้างปัจจัยของใจกันจะดีกว่าเอาเงินทองไปทำบุญกัน แล้วจะทําให้ใจเรามีความอิ่มมีความพอไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ต้องไปหาสิ่งต่างๆซื้อสิ่งต่างๆเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อมาเท่าไหร่เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอมีแต่จะต้องเสพไปเรื่อยๆแล้วพอไม่สามารถจะเสพได้ก็จะทุกข์ พระต่อไปร่างกายมันจะแก่จะเจ็บเนี่ยตอนนั้นถึงแม้มีเงินน้อยน้านพันล้านก็ไม่สามารถซื้ออะไรมาเสพได้เพราะร่างกายมันไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ตอนนั้นก็จะเป็นเหมือนคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้นั่นเองยัอย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเรามีเงินทองหรือเฟือแล้วเราจะสุขไปตลอด เดี๋ยวพอถึงเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันเป็นอมภพึกอมภาศเนี่ยมันพิกล พ, พิการไปเนตอนนั้นเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัจจัยสี่ทางใจนี่จะช่วยเราได้ใจเราจะไม่เดือดร้อนเพราะใจเราไม่ต้องเสดกรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย เรามีอาหารใจมีทานมีบุญมีมีศีล ม, มีสมาธิมีปัญญาถ้าเรามีปัจจัยสี่ทางใจครบถ้วนบริบูรณ์ต่อให้ร่างกายอดอยากขาดแคลนอย่างไรต่อให้ร่างกายทุกข์ยากลําบากอย่างไรต่อให้ร่างกายพิกลพิการอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ใจของเรายังมีความสุขได้เต็มร้อยเหมือนเดิมเหมือนกับร่างกายเป็นปกติดังนั้นขอให้เรามาให้ความสำคัญกับการสร้างปัจจัยสี่ทางใจกันปัจจัยสี่ทางร่างกายก็มีไว้พอให้มันอยู่ได้ก็พอไม่ต้องให้มันเลิศหรูไม่ต้องหรูหราไม่ต้องวิเศษบ้านไม่ต้องเป็นก้อนห่านไม่ต้องเป็นหลังละร้อยร้อยล้าน เสื้อผ้าผรอนก็ไม่ต้องเป็นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเอพอใช้หุ้มห่อร่างกายปกปิดร่างกายได้ก็พออาหารก็ไม่ต้องหรูหรามื้อละหมื่นมือละแสนเอกินแค่มืออาหารข้างถนนก็อิ่มเหมือนกันเออเาเวลาเอาเงินทองนี้มาแปลงเป็นปัจจัยสี่ทางใจจะดีกว่าเอาใจให้มีปัจจัยสี่ แล้วร่างกายจะอยู่แบบไหนไม่เป็นปัญหาเลยอยู่แบบอดอยากขาดแคงก็อยู่ได้ <Yeah. S 1> อยู่แบบพิกลพิการก็อยู่ได้อยู่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่ได้หรือร่างกายตายก็รับมันได้ไม่เดือดร้อนกับมันถ้าเรามีปัจจัยสี่ yeah. ร่างกายต่อให้เราเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนวิเศษขนาดไหนมันก็หนีพ้นหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตาย yeah. ดังนั้นอย่าไป พุ่งเป้าไปไปที่ไปไปที่ผิดเป้าให้พุ่งไปที่ถูกเป้าเป้าที่ถูกก็คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราวใจเป็นของถาวรเราต้องรักษาของถาวรแต่อย่าไปรักษาของชั่วคราวรักษามันดีขนาดไหนถึงเวลามันก็ต้องเสื่อมหมดไปให้มารักษาของที่ไม่เสื่อมไม่หมดไปดีกว่า ก็คือใจด้วยการหาปัจจัยสี่มาให้กับใจด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญสมาธิด้วยการเจริญปัญญาแล้วพอเรามีปัจจัยสี่เราจะรักษาใจนี้ให้มีแต่ความสุขความสบายไปไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันสิ้นสุดใจไม่มีวันตายเมื่อเราสามารถทําให้ใจมีความสุขไปตลอด ได้มันก็จะสุขไปตลอดนะแต่ร่างกายนี้ต่อให้เราหาความสุขให้กับมันได้มากน้อยเพียงไรมันก็มีวันแก่วันเจ็บวันตายแล้วความสุขที่เราหามาให้กับร่างกายมากน้อยเพียงไรมันก็จะต้องหมดไปกับความแก่ความเจ็บความตายดังนั้นเราอย่าไปทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับร่างกายมากจนเกินไป เลี้ยงมันพอให้มันอยู่ได้เป็นปกติสุขก็พอแล้วเอาทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจของเรามาดูแลจิตใจของเราดีกว่าด้วยการมาทําบุญทําทานด้วยการมารักษาศีลด้วยการมานั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาด้วยวิธีต่างๆถ้าเรายังไม่มีปัญญาของเราเองเราก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้อื่นเราก็ต้องมาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่วันนี้ เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนี่คืออาศัยปัญญาของผู้อื่นเมื่อเราได้รับปัญญาของผู้อื่นมาแล้วเราก็เอามาทบทวนอยู่เรื่อยๆเงาเพชฌนาอยู่เนืองๆเพื่อให้เราไม่หลงไม่ดืมว่าความทุกข์ต่างๆของใจเหล่านี้เกิดจากความอยากของเราเราต้องหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากได้เราก็ต้องทำบุญทำทานต้องรักษาศีลต้องนั่งสมาธิ พอเรารู้แล้วเราก็นำอาอกไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้เราก็จะมีปัจจัยสี่ครบทั้งสี่มีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาพอเรามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ใจของเราก็จะสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอีกต่อไปเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาบกทั้งหลายใจของท่านตอนนี้ มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เพราะใจของท่านไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็คงใจของท่านยังอยู่เพียงแต่ท่านไม่มีร่างกายมาติดต่อกับเราท่านเองแต่ใจของท่านยังอยู่ใจของเราก็อยู่แต่อยู่แบบทุกข์ยากลําบากเพราะเรายังขาดปัจจัยสี่ทางทางใจอยู่แต่ถ้าเราสามารถสร้างปัจจัยสี่ทางใจได้ครบบริบูรณ์เราไปใจของเราก็จะเหมือนของพระพุทธเจ้าเหมือนของพระสาวกทั้งหลาย จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาที่เรียกว่าบรลมมาสุขปรละมังสุขขังดังนั้นขอให้พวกเรามาให้ความสาคัญกับการสร้างปัจจัยสี่ทางใจกันให้มากกว่าการสร้างปัจจัยสี่ทางร่างกายร่างกายก็พอให้มันอยู่ได้ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแต่ไม่ต้องวิเศษดูหาอะไรอาหารก็อาหารธรรมดาก็เหมือนกัน อาหารในพัตการในโรงแรมกับอาหารข้างถนนมันก็อาหารเหมือนกันกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันนี่คือเรื่องของปัจจัยสี่ทั้งสองส่วนที่เราจําเป็นจะต้องมีแต่เราต้องรู้ว่าเราควรจะให้ส่วนไหนมากน้อยก่อนกันเราต้องให้มากที่สุดก็คือทางใจทางร่างกายก็ให้พอมันอยู่ได้ก็พอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจง จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถ า, าวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตูทินังเปตานังอุ ป, ปการ ป, กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาหะโสยะถ า, ามณีโชติ พระโสยะถาสพิติโยวิวาจันตุสัพโรโคมีนัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีริสานิจจังวุทธาปจายิโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง ล, ลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยะจะส่งไมโครโฟนไปให้ก่อนยกมือถ้ายังไม่มีใครจะถามบนศาลา เดี๋ยวจะให้ทางบ้านทึ่วันนี้ไม่ทราบมีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางแจ็คลก400คนครับลก110คนครับอ่าอันก็ถ้าไม่มีใครอยากจะถามอะไรก็จะให้คาถามทางนี้ต้องการเดี๋ยวหนูส่งไมโครโฟนไปช่วยส่งไปให้หน่อยชวนพูดพูดไมโครโฟนใกล้ๆปากหน่อยนะเพราะมันเปิดไมโครโฟนด้วย กลับมัสั ก, การพระอาจารย์ค่ะคือณตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ก็คือเป็นตามแนวมหาสติปัฏฐานเสียนะคะก็มีข้อสงสัยที่มีผู้แนะนำนะค่ะเขาแนะนํามาแต่ก็คือยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควรนะคะก็คือเขาบอกว่าเวลาที่หนูพิจารณาเนียค่ะก็คือณตอนนี้เนี่ยเช่นพิจารณาเวทานาเนี่ยคือยังไม่ละเอียดถึงขั้นว่าพิจารณาเห็นการดับไปของเอ ทุกขเวทนานั้นะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนกับเป็นการมองเฉยๆก็เลยไม่แน่ใจความแตกต่างแล้วก็การปฏิบัติต่อไปอะคะ่ะก็การที่จะพิจารณาทุกขเวทนาอย่างจริงจริงจังก็ต้องเวลาที่เรานั่งแล้วมันเจ็บเวลานั่งแล้วเจ็บนี่แสดงว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเหตนนถ้าเราอยากจะพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ต้องดูมันเฉยๆ ดูมันว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอดูมันว่าเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันมันไม่ได้มาเป็นมันไม่ได้เจ็บตลอดเวลาเดี๋ยวมันเจ็บมันเมื่อก่อนไม่เจ็บเดี๋ยวนี้มันเจ็บเดี๋ยวสักครู่มันก็หายเจ็บได้อะ่งตอนนี้มันยังมันยังไม่หายก็ต้องรอดูให้มันหายแล้วอนัตตาคือเราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าเราสั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันมาได้ป่ะไม่ได้ถ้ามันเวลามันไม่มามันก็ไม่มาเวลามันมาจะสั่งให้มันไปก็ไม่ได้เช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยปวดฟันอย่างเงี้ยไปสั่งให้มันหายปวดทันทีได้ป่ะเมื่อก่อนไม่ปวดเดี๋ยวนี้มันปวดก็แสดงว่ามันอันนี้จังแล้วเดี๋ยวมันก็หายปวดฉะนั้นวิธีที่เราจะเห็นอย่างชัดๆโดยที่เราไม่ไปยุ่งกับมันก็คือตอนที่เรานั่ง น, นั่งในสมาธินี่นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเจ็บปวดทางร่างกายขึ้นมาเราก็ต้องสอนใจให้ปล่อยวางให้ดูมันว่าเราไปยุ่งกับมันไม่ได้ถ้าเราไปยุ่งกับมันนีแสดงว่าเร า, เาไม่ปล่อยมัน เ, เรายังไปควบคุมบังคับมันอยู่ซึ่งช่วงไหนที่เราควบคุมบังคับได้มันก็ไม่ทุกข์ แต่เดี๋ยวเราไปเจอช่วงที่เราควบคุมไม่ได้มันจะทุกข์เช่นตอนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นควบคุมยังไงมันก็ควบคุมไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราปล่อยมันปล่อยให้มันเจ็บที่เราทุกข์เพราะความอยากของเราความอยากให้ความเจ็บหายไปเป็นสมุทัยในอริยสัจสี่ความทุกข์นี้เป็นความทุกข์ในอริยสัจสี่ ที่เกิดจากความอยากไม่เกี่ยวกับความเจ็บทางร่างกายคนละอันกันแต่มันจะถูกความเจ็บทางร่างกายเป็นชนวนทําให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมาที่เราสามารถดับได้ถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็คือการเห็นเวทนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปล่อยเขาเป็นไปาตามธรรมชาติ เหมือนกับเราปล่อยให้ฝนฟ้าอากาศเป็นไปตามธรรมาชาติเราไม่ค่อยทุกข์กับฝนฟ้าอากาศใช่ไมเพราะเราไม่ไประยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ชัในใดเราก็ต้องมองทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติตอนนี้เราควบคุมมันคับมันได้เราเลยไปหลงคิดว่ามันเป็นตัวตนเราสามารถควบคุมมันได้สั่งมันได้ มันเจ็บแล้วก็ขยับแข้งขยับขามันก็หายเจ็บนะอันนี้มันเป็นการควบคุมบังคับได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่สักวันหนึ่งมันจะต้องไปเจอที่มันควบคุมไม่ได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจจะทรมานหรือไม่ทรมานก็อยู่ที่ว่ามีปัญญาที่จะสอนใจให้ปล่อยวางได้หรือเปล่าอันนี่คือการพิจารณาเวทนาพิจารณาก็ดูมันเฉยเฉยอย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปดูว่ามันมันเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตามันทําให้เราทุกข์เพราะอะไรมันทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากไปให้มันเที่ยงอยากให้มันหายพอไม่หายเราก็ทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับมันไปวิธีจะอยู่กับมันไปก็ทำใจให้นิ่งให้เป็นอุบเบกขาพอไม่นิ่งเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไป ใช้สติดึงใจไว้พราไม่มีสติมันก็ยังสอนมาแล้วมันก็ยังอยากให้หายอยู่ถ้าจะหยุดความอยากนี่ต้องใช้สติใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเมื่อสอนด้วยปัญญาแล้วมันยังไม่อยู่ก็ต้องใช้สติช่วยวเวลานั่งแล้วมันเจ็บมันปวดอยากจะลุกก็อย่ายไปลุกก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปถ้าดู อ, อยู่กบพุโทโธเดี๋ยวเราลืมความอยากที่จะลุกเราก็เราก็จะอยู่กับความเจ็บได้ เราจะรู้ว่าความเจ็บทางร่างกายนี้ไม่ดุนแรงเหมนก็ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราเองพอเราปรามแล้วหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจนี้จะหายไปแล้วความเจ็บทางใจนี้จะรู้สึกว่าไม่ใหญ่โตอยู่กับมันได้อย่างสบายเข้าใจนะมันมันเป็นแบบเดียวกับทุกอย่างร่างกายก็แบบเดียวกันร่นางกายเวลามันจะตายมัน ร่างกายมันเที่ยงไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่มันต้องตายแล้วห้ามมันได้เปล่าแต่เราอยากจะห้ามมันใช่ไหมอยากจะให้มันไม่แก่อยากจะให้มันไม่ตายเพราะเกิดความอยากแล้วทรมานเนี่ยทุกข์ไหมแต่ถ้าเราไม่ทุกข์ไม่อยากจะทุกข์เราก็ปล่อยมันแก่ไปไม่ต้องไปต้องไปทําสัญญกรรมไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมันต้องแก่มันต้องตาย ตายก็ปล่อยมันตายไปถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราไปกลัวอะไรอนาตตาร่างกายมันเป็นของพ่อแม่เป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ปั้นมาให้กับเราเท่านั้นเราเป็นผู้มาครอบครองเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้อยากนี่เองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากเนั้นเองเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์วิธีจะหยุดหยุดความอยากก็ต้องมีสมาธิมีปัญญามีสติ เวลาใจอยากก็ต้องหยุดกันให้ได้หยุดด้วยพุทธโธพุทธโธไปแตทุกอย่างเหมือนกันหมดไม่ว่าะอะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เหมือนกันหมดใจเราไปยึดไปติดไปอยากมันใจเราเลยยังทุกข์ถ้าเรารู้ว่ามันเราไปควบคุมไม่ได้ไปไปอยากไม่ได้อยากเราจะทุกข์ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะมันเป็นธรรมชาติ เราอย่าไปจัดการกับธรรมชาติปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดการของเขาเองเราเพียงแต่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็สักแต่ว่ารู้ไปดูไปถ้าไม่ยอมอยู่นิ่งๆก็ใช้พุทโธดึงไว้ใจเรามันชอบไปเล่นกับธรรมชาติคิดว่าเราเก่งกว่าธรรมชาติคิดว่าเราไปควบคุมบังคับมันได้พอเราควบคุมมันบังคับไม่ได้เราก็ทุกเดือดร้อนกันแต่ถ้าเราไม่ไป ควบคุมบังคับกับธรรมชาติเราจะไม่เดือดร้อนปล่อยให้ธรรมชาติเขาจัดการของเขาเองเขามีการเกิดการดับของเขาอยู่ตลอดเวลาอันนี่คือเรื่องของสติปัฏฐานสี่ให้เรามาปล่อยวางสี่ประการด้วยกันปล่อยวางกายเวทนาจิตเนี่ยที่เรายัางคิดว่าเราควบคุมบังคับได้อยู่พอเราควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ทุกข์กัน พอเราควบคุมบังคับร่างกายไม่ได้ก็ทุกข์ควบคุมบังคับเวทนาไม่ได้ก็ทุกข์ควบคุมอารมณ์ที่มีอยู่ในจิตไม่ได้ก็ทุกข์กันเพราะเราไม่มีธรรมเราไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราปล่อยวางเราอยังหลงคิดว่าเราเก่งเรายังควบคุมมันได้อยูเข้าใจแลวนะเดี๋ยวสงใครอยากจะถามอีกนะต่อไป พูดใกล้ๆไหมใกล้ๆปากเลยใ้่ใอขอโอกาสหลวงพ่อขอคำแนะนำการทำสมาธิเบื้องต้นนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็เคยนั่งทำสมาธิเนี่ยแล้วมีความคิดที่หลุดออกจากเหมือนคิดไป เ, เปลื่อยเปื่อยอะครับต้องอมีวิธีดึงกลับยังไงบ้างครับก็การทำสมาธินี้ก็คือการควบคุมความคิด กาที่เราจะควบคุมความคิดได้เราก็ต้องมีอะไรที่จะหยุดความคิดสิ่งที่จะหยุดความคิดได้เรียกว่าสติถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้เห้นถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือให้ใจเราจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไรใน ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่เราตื่นกันมานี่เราสามารถสึกสติได้เลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ไปทําอะไรต่างๆที่เราต้องทําในขณะที่ทําก็อย่าให้มันคิดถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธดึงไว้เพื่อให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวนี่เป็นการสร้างสติในชีวิตประจําวันของเรา พอเรามีสติแล้วเราอยากจะได้สมาธิคือจิตนิ่งสงบเราต้องนั่งเฉยๆร่างกายต้องนิ่งก่อนอจิตถึงจะนิ่งได้เห็นเราต้องนั่งนั่งในท่าขัดสมาธิได้ก็ดีเพราะเป็นท่านั่งที่สบายนั่งได้นานแต่ใหม่ๆเราไม่เคยนั่งอาจจะรู้สึกยากลําบากก็นั่งห้อยเท้าไปก่อนก็ได้แต่ถ้าฝึกนั่งขัดสมาธิได้ก็จะดีเพราะต่อไปมันจะได้นั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆ อยากจะได้สมาธิสมาธิคือความนิ่งสงบของใจขั้นต้นก็ต้องฝึกสติก่อนพอมีสติแล้วเราก็ต้องนั่งนิ่งๆ น, นั่งหลับตาอย่าไปปล่อยอให้ใจออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเพรามันรลบรู้แล้วมันจะคิดให้มันดึงมันเข้ามาด้วยพุทโธพุทโธหรือดึงมันด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะรวมกันก็ได้บางคนชอบ ว่าพุทเข้าโทออกก็ได้บางคนก็เอาพุทโทอย่างเดียวไม่ต้องดูลมก็ได้บางคนดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุทโทก็ได้ข่อให้ใจมีอะไรที่เป็นที่เกาะที่ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรานั่งแล้วเราต้องอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวถ้าเราพุทโทก็พุทธโทรไปเรื่อยๆถ้าใจเผลอคิดแสดงว่าเราพุทโทเราหายละพอเรารู้ว่าเราคิดเราก็ต้องดึงกลับมาหาพุทธโทใหม่แล้วเรานั่งไปถ้ามีอะไรมา มามาแย่เรามาล่อเราก็อย่าไปสนใจมีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้บางคนก็อยากจะกลืนน้ำลายอาการต่างๆก็อย่าไปสนใจพุโทโธพุทโธไปดูลมหายใจไปถ้าเราเกาะติดอยู่กับพุโทโธได้เกาะติดอยู่กับลมหายใจได้เดี๋ยวใจก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็จะนิ่งสงบแล้วตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรใจไม่ไม่ดิ้นละไม่คิดละ ใจจะเย็นจะสบายมีความสุขพอมันสงบแล้วก็ปล่อยมันสมบไปนานๆด้วยการใช้สติคอยรักษามันไว้ถ้ามันจะคิดก็หยุดมันถ้ามันจะคิดก็หยุดมันโดยพุโทโธด้วยการดึงเข้ามาให้มันรู้เฉยๆทําให้นานๆช่วงแรกนี้เราต้องการให้จิตนิ่งนานๆเพราะความนิ่งนี้จะเป็นกําลังสู้กับกิเลสต่อไปการปฏิบัตินี้เราต้องการต่อสู้กับกิเลสเอาชนะกิเลส เราจะชนะได้ใจเราต้องมีกำลังกำลังของใจก็คือความสงบความนิ่ ง, งเราตอนต้นนี้เรามาฝึกความนิ่งความสงบกันให้มากๆ ก, ก่อนแล้วพอเราออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะใช้ใจพอ เ, เจอกิเลสเราจะต่อสู้กับมันเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจด้วยสอนว่าทำไมเราไม่ควรทาตามกิเลสไม่ควรทาตามความอยากเพราะว่าการทาตามความอยากมันไม่เป็นมันไม่มีวันจบ อยากแล้วมันจะอยากต่อได้อะไรมาแล้วมันไม่พอได้แล้วก็อยากจะได้อีกแล้วพอไม่ได้ก็จะเสียใจเนือได้มาแล้วเสียสิ่งที่เราได้มาก็เสียใจอีกนั่นการไปทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขพอเราใช้ปัญญาสอนแล้วใจมันยังดือมันยังอยากจะไปเราก็ต้องใช้สติดึงกลับเข้ามาใช้พุโทโธพุธโทโธดึงมันว่าอย่าให้มันไป ถ้าเราดึงมันไว้ได้เดี๋ยวมันยอมแพ้มันก็จะหายไปความอยากก็จะหายไปต่อไปความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาหรือมันกลับมาก็จะสู้เราไม่ได้เพราะเราเคยชนะมันแล้วออคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกเที่ยวได้เลิกดื่มสุราได้ก็เพราะเขาสู้กับความอยากนี่ไดออ้ด้วยสมาธิด้วยสติด้วยปัญญา อ, อันนี้คือการปฏิบัติแต่ขั้นต้นนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มาก ให้มีสติอยู่กับเรื่องเดียวให้หยุดความคิดต่างๆให้ได้แล้วพอเยาะควบคุมความคิดได้เราต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ให้อยู่กับเรื่องเดียวต่อไปอ ย, อยู่กับพุโทโธอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบนิ่งและจะมีพลังพลังนิ่งพลังพลังนี้จะสู้กับความอยากได้เวลาอยากเราก็นิ่งๆเฉยๆใจก็จะไม่ทรมาน ที่เราทรมานสู้ความอยากไม่ได้เพราะมันทรมานใจพออยากแล้วใจสั่นมือไม้สั่นไมนหมดต้องไปทำตามความอยากยานนคนที่ติดยาเสพติดนี่เวลาอยากแล้วขึ้นมาเนี่ยทรมานมากใจไม่นิ่งแต่ถ้ามีสมาธิเร า, าถ้ารู้จักทำสมาธิเราก็ทำให้มันนิ่งได้พอนิ่งเราก็ไม่ต้องไปทำตามความอยากแล้วพอเราไม่ทาตามความอยากความอยากมันก็จะสู้เราไม่ได้มันก็จะ ถอยไปมันจะไม่มารบกวนเราอีกต่อไปอ น, นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราไม่ต้องมีอะไรอยู่อย่างสบายตามีความอยากมีเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่ก็ไม่พอมีอะไรก็อยากจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆได้มากเท่าไหร่ก็ยังไม่อิ่มไม่พออยู่ดี ฉันจะให้มันอิ่มมันพอต้องหยุดความอยากหยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยสติเข้าใจยังมีใครอยากจะถามมิ๊บไหมไม่มีก็ส่งมาทางพิธีกรวันนี้มีพิธีกรคนใหม่ <c oughs> คุณบอยนี่รู้จักเชื้อเชิญ <c oughs> เชื้อเชิญเขาเรื่หลอกเขาก็ไมรู้ <c oughs> พูดใกล้ใกล้ไมหน่อยนะ อ่านช้าๆไม่ต้องเร็วคำถามจากด้านล่างนะคะเอ่อถ้าผมทอดไข่จะเป็นการทำผิดศีลข้อแรกหรือเปล่าครับศีลไข่มันมีสองชนิดเลยไข่ที่มันฟักได้กับไข่ไข่ที่ไม่ฟักไข่ที่ไม่มีตัวถ้าถ้าเป็นไข่ที่ยังไม่ตัวอยู่ก็เหมือนก็ยังฆ่าชีวิตอยู่ยังเป็นฆ่าสัตว์อยูย่แต่ถ้าเป็นไข่ที่ไม่มีตัวก็ไม่ไม่บาป ยั้เราต้องถามคนขายก่อนว่าไข่นี้มีตัวหรือไม่ถ้าไข่มีตัวนี่ก็บอย่าเป็นเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่แต่ถ้าถ้าไข่ไม่มีตัวนี่มันไม่มีชีวิตค่ะคำถามจากท่านที่สองค่ะข้อหนึ่งการทำบุญอุทิศให้ผู้ใดก็ตามเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้นั้นจะได้รับส่วนการแผ่เมตตานั้นเราจะแผ่ให้ถึงผู้ใดก็ตามที่ได้กล่าว จะรู้ได้อย่างไรว่าถึงผู้รับคือการอุทิศบุญนี้เราไม่มีทางที่จะรู้ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มียานอย่างซ้ำนอกจากเรามีพลังจิตเนี่ยเราเราสามารถติดต่อผู้ที่ลงรับไปได้เราก็จะถามก็ได้ว่าได้รับของหรือยังได้รับบุญหรือยังแต่ถ้าเราไม่ได้เราก็ทำเผื่อไว่หนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับอยู่หรือเปล่าแต่เป็นธรรมเนียมไปซะแล้วทุกครั้งที่เราทาบุญก็ อุทิศบุญไปเผื่อคนที่ร่วงลับไปแล้วเขาเดือดร้อนเขาก็จะมารับไปได้ก็ขอให้เราไม่ต้องไปกังวลขอใว่าให้เราคิดว่าเราได้ทาแล้วถ้าเขารอรับเขาก็จะได้รับถ้าเขาไม่รอรับก็ไม่เป็นไรแเราก็ให้ผู้อื่นไปก็ได้ให้สั์ประศัต์ที่ไม่มีญาติที่ขออุทิศบุญให้ให้เขามารับส่วนนี้ไปก็ได้ส่วนการแผเมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่มีคนรับ ตอนนั่นคนเดียวนี่เราไม่ได้แผ่เราสวดที่เราสวด ส, ส, สัตย์ตาเอาเวลาหุนตุนี่เป็นการสวดเป็นการสอนสอนวิธีแผ่อเวลาแปลว่าอะไรอย่ามีเวรกันเถิดเวลาที่จะแผ้อเวลานี่ตอนที่เจอกันแล้วทะเลาะกันอตอนนั้นต้องอาเวลา อ, อย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันยกโทษให้กันก็จะได้ไม่ทะเลาะกัน พอไม่ทะเลาะกันไม่โกรธกันก็ไม่ไ ม, ไม่มีความเสียหายตามมาถ้าให้อภัยไม่ได้จะเอาแพ้เอาชนะกันเดี๋ยวก็ต้องหย่าร้างกันแยกทางกันตีกันมีเรื่องมีราวกันในการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันไม่ใช่ไปแผ่ตั้งคนเดียวในห้องพระนั่งสมาธิแล้วก็แผ่ไม่มีผู้รับต้องแผ่ตอนที่มีผู้รับ ตอนที่เราสวดนั้นเป็นการฝึกใจสอนใจวิธีแผ่ว่ามีอะไรบ้างอเวลาแปลว่าไม่ให้เบียดไม่ให้จองเวรจองกรรมกันเอาเบญาปัชชาแปลว่าไม่เบียดเบียนกันอานิคารหนตุแปลว่าอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายทางจิตใจความปรารถนาดีสุขีอัตนางปริหารันตุอยากให้เขามีความสุขนพอเรามีความรู้ว่าวิธีแผ่มีสี่วิธีนี้ พอเราเจอกันแล้วก็แผร่เลยเจอใครก็เอาขนมมาฝากกันเนี่ยพอแจกขนมให้กันนี่ยิ้มนะยิ้มเนี่มีความสุขเนียอยากให้ก็มีความสุขก็แผ่เอาขนมเอาข้าวของมาแจากกันเวลาเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเขาก็ทําให้เขาพ้นจากความทุกข์ยากลาบากแล้วก็อย่าไปเบียดเขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปรักทรัพย์ของเขาอย่าไปยุ่งกับสามีภรรยาของเขา คือวิธีแผ่เมตตาสี่ประการด้วยกันคำถามที่สองในขณะเราหลับจิตอยู่ที่ไหนและต้องทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าหลับแบบมีสติเอ๊ะขอโทษค่ะหลับแบบมีสมาธิ อ, อ๋อจิตจิตนี่อยู่ที่เดียวจิตอยู่ในโลกทิพยนะ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายจิตมาเชื่อมต่อด้วยกระแสจิตมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกาย เพื่อรับรูปเสียงกิจลดไปส่งไปที่จิตเวลาหลับจิตก็ไม่มีสติปิดปิดเหมือนกับปิดประตูบ้านไม่รับรู้เรื่องทางร่างกายไปชั่วคราวเวลาไม่มีสติในเวลานอนหลับนี่เราจะมีสมาธิมีสติไม่ได้เพราะเป็นเวลาที่จิตไม่ต้องการที่จะรับรู้อะไรจิตก็เลยปิดหยุดปิดประตูบ้านปิดสรงหยุดส่งกระแสจิตมาที่ร่างกายชั่วคราวไม่รับไม่ติดต่อกับร่างกาย จิตอยู่กับจิตโดยนนำพังอยู่ในโลกทิพย์แล้วจิตก็ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ตอนที่เราหลับตอนที่เราหลับเราก็จะฝันดีฝันร้ายฝันดีก็เพราะว่าเราเป็นบุญเป็นผลบุญที่เราทำไว้เราก็จะฝันดีถ้าเราฝันร้ายก็เป็นผลบาปที่เราทำไว้เวลาที่เรานอนนี่เราจะรู้ว่าเราได้ทำบุญหรือทำบาปมาก็ดูที่เวลาที่เราฝันถ้าเราฝันดีก็แสดงว่าเราได้ทาบุญมา ถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเราได้ทำบาปมาแล้วถ้าเราไม่มีร่างกายฝันร้ายฝันดีนี้มันก็จะยาวไปฝันดีก็เรียกว่าสวรรค์ฝันร้ายก็เรียกว่าบายหรือนรกจนกว่าฝันมันจะหมดกำลังแล้วเราก็มาได้ร่างกายอันใหม่พอร่างกายได้ร่างกายใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่เราก็ตื่นขึ้นมาใหม่แต่ตื่นด้วยร่างกายอันใหม่ไม่เหมือนกับที่เรานอนหลับแล้วเราตื่นด้วยร่างกายเก่า อันนี้หมายถึงร่างกายแล้เก่าวเราตายไปก็เหมือนเนอนหลับไปแล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่พอออกจากท้องแม่ขึ้นมาเราก็ตื่นขึ้นมะาเ้วก็ได้ร่างกายอันใหม่จิตก็อยู่ที่เดิม อ, อยู่ในโลกทิพย์จิตไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนในโลกทิพย์นี้ไม่ต้องมีไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนร่างกายอยู่อยู่ที่จุดเดียวเพราะจิตนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีความลึกความความกว้างควา ม, ามแคบไม่มี ในโลกทิศนี้ไม่มีไม่มีระยะทางไม่มีความใกล้ความไกลไม่มีเวลาไม่ต่างไม่เหมือนกับโลกกธาตุที่มีร่างกายนี้มีความมีขนาดมีความกว้างความยาวมีระยะทางมีเวลาแต่ในโลกทิศนี้ไม่มีอะไรว่ามีแต่ความรู้แล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจิตของแต่ละดวงนั้นเองที่เกิดจากการไปทำบุญทำบาปมา คำถามจากคุณจ่าดับถ้าพูดถึงปัจจัยสี่ทางใจแล้วสําหรับผู้ปฏิบัติควรงดชมภาพพยนต์ประเภทบูล้างผ่านงวงเล็บแอคชั่นไหมเพราะเมื่อดูแล้วใจจะอิ่นกับความบันเทิงวงเล็บสนุกบวกมันนั่นแหละมันเป็นยาเสพติดมันไม่ได้เป็นอาหารดูแล้วมันติดดูแล้วมันอยากจะดูไปเรื่อยๆเหตุั้นอย่าไปหายาเสพติดมนาะให้ร่างกายไอย้ยามาให้ใจ หายอาหารมาให้ใจเอาเงินที่จะไปซื้อหนังนี่ไปทําบุญดีกว่าไม่ต้องไปดูหนังคําถามจากคุณกมลทิพย์วันที่26ตุลาคมพระอาจารย์มีเทศไหมคะเท่าที่เป็นมาก็ไม่ก็เทศอยู่เป็นประจำก็คิดว่าคงจะเทศเหมือนเดิมนอกจากมีเหตุการณ์อนิจจังอย่างใดอย่างหนึ่งถึงคาดไม่ถึงอาจจะ ไม่สบายบางทีอาหารเป็นพิษอะไรอย่างนี้ลงไม่ได้ก็ลงไม่ได้แต่ทั้งที่ทํามานี้ยังไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันต้องมีทักวันหนึ่งต้องเจ็บแน่ๆเพียงแต่เมื่อไหร่เท่านี้ถ้าลงมาได้ก็จะลงมาหรือว่าคนที่มาถ่ายทอดก็มาถ้าเขาไม่มาก็ถ่ายทอดไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้เหลือคนเดียวอคนอื่นที่เคยช่วยเขาก็พักผ่อนไปหยุดไป ถ้าเกิดเหลือคนนี้คนเดียวเขาไม่มาก็ถ่ายทอดไม่ได้เทศไม่ได้เพราะเครื่องเสียงไม่มีถ้าเทศได้ก็เทศเฉพาะคนในกลุ่มที่เล็กๆที่นั่งอยู่ในศาลานี้เท่านั้นเพาะจะไม่มีคนมาจัดเครื่องเสียงให้ทางน้กายใส่ผู้ที่มีจิตศรัทธามาช่วยจัดเครื่องเสียงมาจัดกล้องจัดอะไรต่างๆถ้าทุกอย่างพร้อมมันก็มีถ้าไม่พร้อมก็ไม่มีคาถามจากอินบ็อกซ์ค่ะ ออจากคุณชาโนนค่ะในสามคำถามกราบพระอาจารย์ครับการบริกรรมพุทธโธเป็นพุทธานุสติหนึ่งในกรรมฐานสี่สิทธ์เป็นไหมว่าถ้าจะเจริญสติโดยบริกรรมพุทธโธจะต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างมากเท่านั้นถึงจะได้ผลหรือการที่เราจะบริกรรมคําว่าอะไรนั้นคำคำนั้นควรจะต้องเกี่ยวกับเราถึงจะได้สมาธิหรือว่าเราเลือกคําบริกรรมพุทธโธก็ได้ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีศรัทธาอย่างมากตอ่อพระพุทธเจ้าครับคือคนเรามันก็มีความชอบต่างกันเหมือนกรรมฐานสี่สิบนี่ก็เป็นเหมือนอาหารใจเวลาเราไปรับประทานอาหารแต่ละคนก็สั่งไม่เหมือนกันนะบางคนก็สั่งไข่ทอดบางคนก็สั่งไข่เจียวเอเพราะว่ามีความชอบไม่เหมือนกันฉันใดกรรมฐานของเราของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกัน บางคนศรัทธาเจริญก็ชอบพุโทโธบางคนพุท ธ, ธิเจริญก็ชอบมรณานุสติปัญญาเจริญผู้ที่ชอบของจริงก็ชอบเราเลึกถึงความตายเลิอเราเลิกถึงอสุภะเนี่ยแล้วใจมันจะเน่งจะสงบบางคนใจศรัทธาก็ต้องพุทโธธโ ม, โมสังโฆบางคนใจก็เฉยๆกลางๆก็ดูลมหายใจเข้าออกหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป เนื่องแต่ละคนจะมีใจไม่เหมือนกันแต่ก็เลยต้องเลือกกรรมฐานที่ไม่เหมือนกันก็ขอให้เราเลือกอันไหนที่เราชอบแล้วทําให้เรามีสติอยู่กับกรรมฐานนั้นเราก็เลือกกรรมฐานนั้นแต่กรรมฐานนี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปตามเวลาตามโอกาสเช่นเวลาเรายังเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่นี่จะดูลมหายใจมันก็จะยากสู้พุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูร่างกายไป เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเรียกว่ากายยะกตาสติถ้าดูร่างกายแล้วมันยังดือ้อมันยังไปคิดหลงก็ใช้พุโทโธมาช่วยอีกเส้นหนึ่งผูกพันมันอีกเส้นหนึ่งด้วยพุโทโธพุโทโธทํางานไปก็พุโทโธไปแต่ก็ต้องดูงานที่เราทําด้วยไม่ใช่พุโทโธไปแล้วก็ทํางานบบดับเพลียๆถูกๆนะเวลาปฏิบัติเราต้องรู้หลักวัตเป้าหมายของเราก็คือต้องการหยุดความคิด ให้ใจมีอะไรเป็นที่เกาะที่ติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างสามอย่างก็ได้แต่ความเป้าหมายก็คืออยากคิดให้รู้เฉยๆใจเรามีสองส่วนมีส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่คิดนี่เราหยุดมันได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ส่วนที่รู้นี่เราไม่หยุดหยุดมันไม่ได้มันรู้ตลอดเวลานั้นแต่เราอยากจะดึงส่วนที่รู้ออกมาแทนส่วนที่คิดเพราะส่วนที่รู้นี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับส่วนที่คิดน เพราะส่วนที่คิดของเรานี้ถูกกิเลสหล่อให้ไปคิดในทางที่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเราจึงต้องหยุดมันให้เหลือแต่ส่วนที่รู้ให้รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆมันจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจที่มันวุ่นวายใจเพราะมันคิดคิดแล้วมันอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ทุกข์ใจขึ้นมาอะต่อไปคาถามที่สอง บริกรรมพุโทโธต่อเนื่องชัดๆได้แค่สองสามพุโทโธเองครับแล้วก็นึกไม่ออกแล้วก็ต้องพยายามนึกพุโทโธชัดๆอีกก็จะได้ต่อเนื่องแค่สองสามพุโทโธอีกครับไม่ทราบว่าอาการอย่างนี้เป็นปกติของผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ๆหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นสติไม่น้อยแต่คนบางคนถ้าอดีตประชาติเคยฝึกสติมาแล้วเขาก็อาจจะพุโทโธได้อย่างต่อเนื่อง ยังถ้าเรามีน้อยก็ต้องพยายามขยนันพอมันหยุดเราก็ต้องบังคับให้มันท่องพุทโธขึ้นมาคำถามที่สามเวลาบริกรรมพุทโธจะรู้สึกว่าจิตจะกระเพื่อมเมื่อนึกถึงเมื่อเวลานึกถึงคำพุทโธเป็นธรรมดาหรือเปล่าครับก็เป็นธรรมดาเพราะกิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันชอบคิดเรื่อยเปื่อยถ้าคิดเรลยเปื่อยนี่คิดได้เป็นชั่วโมง พอคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันไม่ชอบมันไม่ชอบถูกบังคับมันก็เลยจะสร้างอาการ ต, าต่างๆขึ้นมาคำถามจากด้านล่างค่ะกลาบนมัสการเจ้าค่ะในชีวิตประจำวันมีเรื่องราวเยอะและมีปัญหาเยอะก็เลยหาความสงบทางใจไม่ค่อยได้มีวิธีอย่างไรบ้างจึงจะพบความสงบทางใจ <S <S 2> <S 2> <S 2> ก็อย่างนี้ให้หัดฝึกพุโทโธไว้ พอลืมตาขึ้นมาก็หัดต่องพุทโธพุทโธไปคอยควบคุมความคิดอย่าไปคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดถ้าเรื่องที่คิดแล้วที่จำเป็นต้องคิดมันทำให้เราไม่สบายใจก็หยุดมันเสียใช้พุทโธพุทโธหยุดมันหรือช่างมันช่างมันก็ได้ลองคิด่าช่างมันช่างมันบืางเดี๋ยวก็ตายแล้วตายไปก็ทำอะไรไม่ได้เลย คิดอย่างนี้หัดช่างมันซะมาั่งแล้วเรื่องราวต่างๆมันก็จะเบาลงไปเดี๋ยวก็ตายแล้วช่างมันช่างมันเดี๋ยวก็ตายแล้วท่องนี้ไปก็ได้นะแล้วมันก็จะสบายใจขึ้นมาคําถามจากเ facebook ไลฟ์ค่ะจากคุณมะเดียวครูบาอาจารย์ท่านสุ บ, บุรี่ถ้าซื้อบุหรี่ไปถวายท่านนี่จะบาปไหมครับไม่ บ, บาปหรอกเพราะมันไม่ผิดเพราะวี่ไหนบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นยาเสพติด ไม่ได้ทำให้ผู้สูบนั้นเสียสติเหมือนสุรายาเมาไม่ได้ขาดสติเพียงแต่ว่าถ้าสูบมากมันอาจจะเป็นโทษเป็นอันตรายต่อร่างกายสำหรับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่เขาถ้าถ้าท่านสูบท่านก็จะรู้จักประมาณท่านก็จะรู้ว่าจะสูบมากน้อยเพียงไรกรรมนรมสกา ร, รอาจารย์จ้าใ่ถูกมีข้อสงสัยว่า การที่จิตเนี่ยมีลักษณะเกิดดับอย่างรวดเร็วเหมือนการกระพีของลราไปเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยจะทําให้เราเห็นลักษณะาดังกล่าวของจิตหรือไม่แล้วเราจำเป็นต้องเห็นลักษณะาดังกล่าวของจิตเพื่อทราบการเกิดดับหรือเปล <c oughs> ่าครับคือจิตของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่นมาตามสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดดีใจเสียใจเศร้าใจออันนี้ ถ้าเราฝึกใหม่ๆเราไม่ทันมันเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนสร้างสติแล้วทําใจให้สงบพอใจให้สงบแล้วเราจะหยุดความเกิดดับของจิตได้ชั่วคราวพอพอออกจากสมาธิมันก็จะเริ่มเกิดดับใหม่ตอนนั้นเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะคอยเฝ้าดูมันได้ถ้ามันมีไปในทางไม่ดีถ้าเรารู้เหตุว่ามันมาทางจากอะไรเราก็กาจัดมันได้ ถ้ามันมีเหตุที่เรากำจัดมันไม่ได้ก็ดูมันไปเฉยๆดูว่ามันเดี๋ยวมันก็ดับไปเองทุกอย่างไม่ไม่ถาวออารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าถ้าเราหาสาเหตุดับมันไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับมันปล่อยมันไม่ดีไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายถ้าเราอย่าไปอยากให้มันหายถ้ายิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งยิ่งไม่หายใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นฝนตกก็แล้วกันตอนนี้ฝนตกก็ปล่อยมันตกไปอย่าไปให้มันไม่ตก ยิ่งอยากให้มันไม่ตกมันยิ่งเครียดยิ่งวุ่นวายขึ้นมามก็บางทีไม่รู้สาเหตุก็ให้ดูเฉยๆไปให้ให้ดูว่ามันเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเหมือนเวทนาเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับไปเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่าไปอยา ก, ย, ากยุ่งอย่าไปอยา ก, ยากถ้านั้นแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันมีมีคําถามหรืออยู่มเยอะไหมอเอาเอาเอาีกสักอดเดยวนะเพราะว่า ใกล้จะหมดเวลาแล้วมีไหมเราเลือกเอาคำถามเด็ดๆหน่อยเมื่อกี้มันใายกันเอองั้นจากเ c e b o ๊ k ไล v e นะคะจากคุณจินค่ะนิวอนห้าโยมจะแก้ไม่ติดในข้อกามมาฉันทะอย่างไรเจ้าคะทันทีที่เกิดส่วนสี่ข้อนั้นโยมคิดว่าโยมยังพอดับได้แต่ข้อกามมาฉันทะนั้นยากเหลือเกินเจ้าคะ่ะ ถ้าถ้าติดในรูปเสียงกิ่นรสก็ต้องถือศิ่งแปดนะแต่สิ่งแปดแล้วมันก็จะห้ามให้เราไม่ไปเสบ ร, รูปเสียงกิ่นรสได้ถ้าติดเรื่องกามอารมณ์ก็ต้องหัดเจริญอนสุภาพนะพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายคิดถึงร่างกายตอนที่ตายไปน่ารักไหมถ้าคิดถึงร่างกายตอนที่มันตายมันก็จะดับกามอารมณ์ได้หรือมองเข้าไปข้างในมองดูเหมือนกับเครื่องเอ็กซ์เรย์ฉาย ดูอวัยวะต่างๆดูโครงกระดูกดูปอดดูหัวใจดูตับดูลำไส้ต้องหัดดูภาพเหล่านี้ถ้าไม่มีภาพก็เปิดหนังสือดูได้เดี๋ยวนี้มีภาพที่นักศึกษาแพทย์ก็ศึกษากันหรือว่าไปดูภาพที่เขาถ่ายจากการผ่าตัดผาศพชนะสูตรศพอะไรต่างๆเหลนี้ให้ดูภาพเหล่านี้แล้วมันจะทาให้เราดับการอารมณ์ได้ แต่ถ้าเราติดพวกละครพวกเพลงพวกอะไรนี้เราก็ต้องถือศีลแปดหรือไปอยู่ที่ที่ไม่มีให้เราดูไม่ให้เราฟังเช่นไปอยู่วัดอย่างนี้ถ้าอยู่บ้านก็ปิดทีวีขายทีวีไปยกให้คนอื่นไปอย่าให้มันมีสื่อที่จะมาทำให้เราต้องเสพเอาแล้วนะพอดีฝนตกก็ขอให้ท่านทั้งหลายนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ในวันนี้ไปพิิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด